เราก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพาากกระพุทธเจ้าธรรมจักรกปะรัรสูตรเป็นเรื่องของเก่็นแทของพุทธศาสนาอุนโกรุนจ่อยผู้จีได้ฟังธรรมเทศนากันนี้เหมือนกับว่า มีหวังพะเห็นทางกันเบินชีวิตเหมือนเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นฟากคว้าว่าทิศทางตะวันออกก็ทางนี้่ตอต่อไปก็จะได้รู้ทิศทุูงทางดำเนินไปตามทิศทาง ที่ผิดที่ถูกได้เจอสิงเหล่านี้มันก็อยู่ที่ตัวเราแม้แต่เป็นธรรมเทศนาสองันหกอยปีมาแล้วก็อยู่กับคนอยู่กับคนทุกคนเป็นสูตรอยู่กับตัวเราทั้งหมดน่าจะสรเสิญพระอานนท์ จำมามาร้อยกองสังขยนาะสงรูปหนึ่งที่เป็นพุทธบุตรถาของพระพุทธเจ้าโดยขอพอจากพระเจ้าเมื่อได้รับเป็นทุละพุทธอุปรถาจากสงจากพระุเจ้า ให้เป็นพุทธบัตาของพระพุทธเจ้าหรือพระอานุนอนุนก็ได้ขอพรจากพระเจ้าเมื่อพระองค์ไปสแสดงธรรมณทีใดขอให้ข้าพทธเจ้าติดตามไปด้วยเพื่อจะได้ยินได้ฟัง ขุนเจ้าก็ถามว่าเธอทำไมต้งขอพรเช่นนั้นก็เพราะว่าในอนาคตกรอเมื่อมีใครมาถามพุนเจ้าประเทศใทดเรื่องใดถ้าไม่รู้มันก็จะเป็นเรื่องไม่ดีจะได้จำไว้จะได้บอกขุนเจ้าขออนุญาตให้ าจากนั้นก็ได้แต่าทุชนอามาจนจำมาในครับสังขยาพระเจ้านิพพานไปแล้วแน่นอนจำได้แม่นมันเห็นความเทศความจริงอยู่กับเราแท้แท้เนี่ยในแม่นยอมมากแต่จำได้เฉย ยังไม่เป็นพระละหันเลยพระอานุ์จนพุทธเจ้าปฏิพานไปก็ยังไม่เป็นพระละหันเมื่อบรธรรมสังขานาขั้งนี้จึงจําเป็นต้องให้พระละหันทั้งหมดมาล้อยกองจํามามาบอกกันแต่พระอานุ์นี่ไม่เป็นพระละหันผู้สงต้องลอยพระมหารกระสปะเป็น ป, ประธาน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 อันนี้อนอนก็จำได้เฉยๆแต่ว่ามัตประกอบห้เกิดขึ้นแก่เราสำคัญอยู่ที่กับการปฏิบัติานอนก็น้ามาปฏิบัติเมื่อคนมีความรู้ก็มีความมั่นใจเห็นแผนที่ต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้ เห็นเสียงเงินส้างทองที่เต้าดอกกันตรงนี้ชี้ไปตรงนี้นเวลอมันหลงกับชี้ไปถึงความไม่หลงแน่นอนละ่ะผลหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องชี้ไปทางนี้ก็ดำเนินชีวิตไปทุกขงที่มันหลงมีสติเป็นดวงตาภายในเห็นหเวลองมันทุกข์ก็ชี้ไปถึงความไม่ทุกข์ มีหวังอย่างนี้พระนนจึงเอาเรื่องนี้มาดาเนินไปในคราวเดียวกันนั้นเปลี่ยนความหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนความทุกข์เป็นไม่ทุกข์คือสติคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวกับบาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยู่ในองค์มรรค ข้อที่แปดด้วยแปดข้อเนี้ก็คืออันเดียวกันเป็นการปฏิบัติลงไปที่กายที่ใจนี้ทั้งนั้นบอกผิดบอกถูกเห็นเหตุเห็นสิที่เหมือนผิดเห็นเหตุที่ทำให้ถูกได้ก็นามาปฏิบัติก็ควมเพียนนั้น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 ถ้าไม่เกิดขึ้นกับมีจะเติอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็คือความเพียรเมื่อมันเกิดขึ้นมากับพร้อมแล้วจะละได้อทุกข์ก็พร้อมเทียมะรู้จักตัวคือไม่ทุกข์แล้วนี่คือความเพียรในหลักอริยสัจสไ่ 4. มีปริวาสสามเหตุ 3, หาการณ์ทสองทั้งคืออริยสัจทั้ง น, นั้นละเนี่ย อ่ายเรามากอยงแปดเป็นเป็นของอริยสัจสี่ขยายออกไปมีจิติมันก็บอกคืนแล้วปริวัตสามแล้วเห็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงนี่ปริวัตสามเห็นมันทุกข์ไม่พ้นไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่คือปริวัตสาม เห็นเหกาลังต่างที่มันเกิดขึ้นที่เลืต้นหาเกิดขึ้นมีประวัติสอนคือเห็นมันไม่เป็นไปกับมันคนจาประวัติที่เห็นก็อยู่ในอริสระสี่ทำให้แจ้งทำได้แล้วแจ้งแล้วแจ้งจริงๆตรงนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทุกไม่จริงทำไม่ทุกเหมือนจริงมีอยู่ เป็นอย่างนี้อย่างนี้ยอมหลงไม่จริงพอไม่หลงไม่อยู่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำให้แจ้งแล้วทำได้แล้วละได้แล้วหลงที่ใดไม่หลงที่นั่นทุกที่ใดไม่ทุกตรงนั่นละได้แล้วอย่างนี้นี่ปริวัตสามอาการท2สองเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ จึงเกิดย้อนขึ้นมาว่าเห็นแจ้งนี่อยู่กับคนเรานี่เองเมื่อเรานำมาปฏิบัติจะเห็นเห็นทางพบทางทางพาไปเหมือนเรานั่งรถเดินทางมิตรภาพเดินทางหลวงที่มีป้ายยลาจรน บอกทิดบอกทางทางเหมันบอกตรงไหนว่ายเหมืนบอกเหมือนเป็นอย่างนั้นเนาทางเดินด้วยเท่าทางบกทางเดินจิตใจก็เช่นเดียวกันผิดบอกให้ไม่บอกให้ไหมผิดให้ถูกตรงไหนที่มันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ตรงนั้นทางเหมืนบอก เลยไม่จนคนพบทางก็ไม่โ้บโลกเข้าคงนี่คือตัวปฏิบัติมีความเพียรชอบต้องมีสติก็ตั้งนั่นหวมงอกงามในสติปร้อมไปบุญความเต็มโลกวงจะเลนล้วก็เป็นไปเองมันต้องมากขึ้นมากขึ้น โดยรูปแบบของกรรมาฐานเนี่ย14จังหวะเคลื่อนไหวลู่ทีละลู่เนี่ยมันก็มากลูกจ่จริงๆว่าจะมีความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นมามีความรู้สึกต้อนรอบเป็นนายวาวบานาอะไรก็ปลอดภัยได้จึงเป็นกรรมาฐานที่เป็นวิชาที่ สกิสิทธิประสบการณ์จากพุชากรรมฐานนี้ประทับใจผลของการปฏิบัติมันก็เป็นอริยชอบภายในมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ชื่อไม่ได้อันนี้คือประทับใจผลกรรมฐาน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 ของจริงไม่ใช่ของบุคคลใดคนหนึ่งเป็นธรรมะเป็นอย่างในเป็นตถาตาเป็นเช่นนั่นเองพระพุทธเจ้าเทศนากันนี้มีโกณนยะพร้มปัจจุบันผู้มีอายุด้ยดวงตาเห็นธรรมรู้แล้วหนอรู้แล้วหนออัญญสีวัตถโพโกันโย ปัญญาลู่เร้าหนอความปัญญาผู้มีอายุเรี้วเร้าหนอก็ต้องรู้จักเหมือนที่รู้จะแดงอะไรรู้แล้วรู้แล้ยวจึงตัดต่อไปบ่แน่นอนแล้วแน่นอนแล้วยังกิงเกสมุติยะทมบังสับพันธุงหลวงทั้งมันติ สิ่งใดจิงึงเกิดขึ้นธรรมดาสินั้นต้องไม่ความดับไปเป็นธรรมดาได้ผลแล้วได้ผลแล้วจิงเดียก ว, ว่าแน่นอนแล้วยกโป้แล้วสอนคนลู่ตามได้แล้วเดี๋ย ว, ว่าของจริงต้องเป็นอย่างนี้แต่ของไม่จริงคนอื่นรู้ได้ไม่ได้เป็นของอันเดียวกันต ต, ต่ตามมันเป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั่นเองความไม่เที่ยงมันก็เป็นเช่นนั้นมันจะให้เป็นเที่ยงได้อย่างไงความเป็ทุกข์มันก็เป็นเช่นนั้นจะให้เป็นสุขได้อย่างไรเป็นเช่นนั่นเองก่อนแก่มันก็เป็นเช่นนั่นเองจะให้ไม่แก่ได้ไง ร่างกายร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดต้งเทื่เกันแล้วเฉยเก็บตายไปเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั่นเองร่างกายคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั่นเองเหง้าเป็นอย่างนี้หรือว่ายังกินจีจะหมดย่อธรรมังตัดตาตตตา เมื่อไปแบบนี้ก็ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเหนือก็เกิดเจ็บเจ็บตายได้ในชีวิตนี้ได้มากได้ผลั้แต่มีจิตมีใจมีเดินได้หลงได้ทุกได้เนี่ยได้ประโยชน์จากความหลงได้ประโยชน์จากความทุกขเรื่องอะ เห็นของจริงการประเสริฐคือทุกเนี่ยถ้าไม่เห็นมันมันก็ทุกถ้าเห็นมันมันก็ไม่ทุกพอพ้นจากทุกได้เห mm. มือนเราเห็นงูงูก็ไม่ได้เกิดเราส่วนที่ไม่เห็นงูจังหากงูจึงเกิดตายไปส่วที่เห็นมันก็ไม่ได้เกิดละ่ะ เหมืนบอกเพื่อนนักปฏิบัติอย่าให้ความคิดมันหลอกได้เห็นหมันคิดอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดต่วงความคิดความคิดที่เป็นส ม, มุทยัยเป็นสังขารไม่อยากคิดมึงก็คิดเนี่ยเป็นส ม, มุทยัยเป็นสังขารเห็นแจ้งไหมละได้แล้วไหมเห็นแจ้งไหม ทุกเป็น่งกำห น, นดรู้ได้ไหมายทุกครั้งที่มันทุกขรู้ได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังทุกเป็นสิ่งที่ต้องละรวดเป็นสิ่งทําให้แจ้งสมมติถ ย, ยเป็นเหตุที่ต้องให้ละเหตุที่เกิดทุกข์ละได้หรือยังไม่ต้องํำเนรมไม่ต้องให้มันอีกบอกึืนเว้แล้วไม่ต้นรับไม่มีที่อ๋ยสายไม่เหตุ่า นั่นเรียว่าละได้แล้วสำนึกไทยละได้แล้วม้า น, นเดียวความหลงก่อนเดียวความโกรธก่อนเดียวความทุกข์ก่อนเดียวจะมาจึงละไม่ได้โสดลอยข้างบนหนอนเมื่อเคยละาจาักตีเวลาเําบ่ปฏิบัติเนี่ยจับมันขึ้นเขียงได้เล ย, เลยนี่คือตัวหลงนี่คือได้เกิดความหลงนี่เกิดได้เกิดความทุก ทำได้แจ้งจริงๆหรือว่าวิปัสสนาทำให้แจ้งแจ้งแล้วจริงๆเห็นที่เห็นทางให้เกษเสผู้ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานต้องได้เกะเสแห่งพระ涅槃ทันทีเลยทีเดียวถ้ามันหลงหรือรู้นี่ไปทางนี้แหละ แม่มันลิบหลีก็ทั้งอยู่ตรงนี้น้แบกออกไปให้รู้แล้วก็ใส่กรรมฐานเป็นเครื่องต้นลืองให้รู้เพิ่มขึ้นน้ำหนักของความรู้เพิ่มขึ้นในความไม่รู้นี่การฝึกตนสอนตนไม่มีใครช่วยเราได้ใส่ความภาพเพียนหรือประกอบ อย่าปล่อยทิ้งหลงที่ใดลู่ที่นั่นหลงลอยข้างลู่ลอยข้างนี่บอกความาพเพียนไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปเป็นความกล้าหาญกล้าหาญถ้าหลงเป็นลู่เป็นความแปร่งกล้าถ้าทุกเป็นลู่เป็นความแปร่งกล้าตลาได้ไกลกระโดดได้ไกลตอนนี้ มีกำลังแต่คนไม่รู้เน่หลงก็อ่อนแอไปเลยโกรธก็อ่อนแอไปเลยเป็นการมวจุขันธ์การโยกไปตามอาการเลือกกามหรืออ่อนไปตามอาการพอใจก็เป็นกามความพอใจไม่พอใจก็ไปตามความไม่พอใจ หลักการปฏิบัติเจอเอาจริงจริงๆจะเอจริงๆถอนความพอใจและความม่พอใจออกมาเจ้าสอนอานี้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มเดินทางมีสติเป็นในกายเป็นไปจอมถอนความพอใจและควา ม, มาไม่พอใจในโลกเสียได้ มันก็จะมีความพอใจความไม่พอใจการ ม, มีสติเนี่ยเกิดขึ้นกับกายอาการของกายเกิดขึ้นมาที่ใดก็พอใจไม่พอใจแล้วอาการของจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็พอใ จ, อใจไม่พอใ จ, อใจหรือว่าเวทา น, นาสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์หรว่าเวทา น, นา สักว่าเวทนาคือถอนออกมาเห็นแล้วเห็นแล้วไปได้แล้วผ่านไปได้แล้วกักไม่ได้ด่านนี้ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่ลูบด่านนี้ก็กักเอาซะเอากาไม่เป็นตัวเป็นตนจำอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้เอาถูบทุกมาเป็นตัวเป็นตนเอาความคิดมาเป็นตัวเป็นตน ให้ความคิดมา เ, เป็นทุกขเป็นทุกข์หรือว่าเอาความคิดมาเป็นตัวเป็นตนสักแต่ว่าเกิจสักแต่ว่ากิจเป็นเช่นนั่นเองวิญญาณธาตุมาลู่อะไรได้ขอบคุณมันมันไม่ใช่มาลงโทษเราเราได้ปัญญาถ้าขัดลู่อะไรได้เหลือวิญญาณธาตุด้ว่าจิตวิญญาณ ไปสอนวันสมก็จะแต่ว่าเป็อกุศลเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ตัวลกละอกุศลเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมขาวขึ้นฝังได้ขึ้นฝังเพราะมานมีมีฝังเพราะมันมีน้ําไม่มีน้ำมันก็ไม่มีฝังว่าจึงมีทุกขมีทุก ชีิตของลูกของ น, น้ำนี่นี่ว่ารูกทุกน้ำทุกทุกพระเจ้าจแสดงธรรมเทศนาเมื่อกี้นี่ยี้ไปตั้งแต่ทุกมันมีอยู่จริงทุ ก, กความเป็นจริงมีอยู่ชาตีไปทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกจะลาไปทุกข์ความแจรก็เป็นทุก พยายามปิทุกข์ขความเจ็บความเป็นทุกข์เมื่อนําปิดทุกข์ขังความตายกเป็นทุกข์เปลี่ยนภาพจากของรักของชอบเใจเป็นทุกข์ปัสาวะเฉินใดไม่ได้ฉินนั้นก็เป็นทุกข์เผยชนะเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์อ้าดเปื่อไม่หมดเลยถ้าเราไม่ศึกษาแต่เราศึกษาก็จะเกลี้ยงเกลาบริสุทธ์ ในเห็นหน้านี้ก็น่ากลัวลูกทุกิงจริงลูกมันเป็นทุกิงจริงเป็นก้อนทุกิงจริงเกิดขึ้นแล้วเจ็บตายไปจริงๆแก่ไม่เจ็บเฉเฉยเจ็บไม่เจ็บเฉยเป็นทุกข์ด้วยตายก็ไม่ตายเฉยเฉยเป็นทุกข์ด้วยเติมตัวทุกข์อยู่ตรงนี้กันยอมรอบจํานวนอยู่ทุกคนต้ทำไมเราไม่ศึกษาเรื่องนี้ เมื่อจิษารณีดูถ่งเทศแล้ววัชิตัตถะเมื่อจิจารณีได้คำตอบจึงได้ประกาศเรื่องนี้ว่าเมื่อมีความแจกก็มีความไม่แจ่เมื่อมีความเก็บก็ ม, มีความไม่เก็บเมื่อมีความตายก็ ม, มีความไม่ตายตั้งแต่เป็นสิทธัตถะพอจบอายุท16หกสัญสานน เห็นคู่ๆอย่างนี้จะหาคำตอบหาผลทางแต่พระเจ้าปู่เจ้าย่าไม่ไม่มีใครตอบได้ก็เลยดําหลี่ออกบวชเพื่อจิตสงนีก็ได้คำตอบแล้ว ก, ก็บระกาศเป็นธรรมะเป็นศาสดาสเป็นพุทธเจ้าก่อนใครในโลก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 ทุกคนต้องเห็นอย่างนี้นี่จะดูดกายเคลื่อนไหวก็รู้ได้ทุกคนแล้วก็เห็นใจที่มันคิดก็รู้ได้ทุกคนมันคิดเป็นเห็นความคิดที่ไม่ไตั้งใจวิเวศเนี่ยก็ว่ยห้อยไปแฉนกับความคิดความคิดป้า้เป็นสุกขเป็นทุกข์ป้ารักป้ายช่าง้าเกิดชิวิตตัณหา ได้ตัวหลักตัวใหญ่มันคือตัวคิดเนี่ยตัวจิตเนี่ยาเพ็ยทางจิตเขาคือมีสติเห็นมันคิดนี่แหละคิดที่ใดก็รู้ที่นั่นนี่คือคําเพียทางจิตสอนจิตส่วนการว่วจวิเป็นจำเลยที่สองที่สาม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 เวลาเรามาฝึกครรุฐานจะได้ช่วยเนี่ยช่วยจิตเนี่ยอย่าให้ไปถึงโ น, น้นซะอย่าให้เป็นตัวเป็นตนไ ป, น ป, น ป, นปนกับความคิดอย่างน้อย ก, ก็ต้องเวท น, นาคืนมาซะให้รู้ซ ะ, ะเวทนาศึกว่าเวทนาชิดสะวายคิดซะเนี่ยคืนมามนไม่เปิดเพื่อนมันจะสาน บ, บริสุทธ อะไรที่มันเพื่อนที่ใดลูกที่นั่นมันจะบริสุทธิ์สอบไปกิจจะดูกิจเองกิจจะดูกิจเองอยากจะสรุปไว้กับการปฏิบัติสติตัวนี้แหละเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจอย่าลืมไปอยู่ที่ดใด้มีสติเป็นผู้รู้แลกายใจอยู่เสมอ อย่าไปมั่วหมายให้อะไรอะไรก็ลู่ลู่ต่อไปมันจะลู่ไปไม่ได้ตั้งใจอยากหลงก็ไม่หลงอยากโกรธก็ไม่โกรธอยากทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันเป็นไปไม่ได้พวกมันเห็นอยู่แล้วจะบังคับไม่โกรธมันเป็นไปไม ไ, ได้คนนี้นะ่าละคนนะ่าเกลียดจะไมนเป็นไปไม่ ไ, ได้ มันไม่เป็นธรรมเพ่อเป็นธรรมเกิดกันแล้วเจอกายเจอใ จ, ใจธรรมก็รักษาเองธรรมยอบรักษาพูกเพืพ่อธรรมอยู่เป็นนิดธรรมยอบรักษาพูกเพื่อธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วอย่างนี้วันนี้พวกเราก็มา ที่สมาทานทันมากรรมฐ า, านเข้มสิบวันก็จบตรงวันนี้ก็อยากจะพับใส่กระเป๋าให้ทุกคนอย่าเาที่ยวซาออกติดตามไปด้วยไม่หนกักไม่กินที่ไม่กินเนื้อที่อยู่กับกากับใจเรานี่เองเว้นสมบัติเป็นไรทรบภายใน เหนือก่อเกิดจะเจ็บตายเกิดไปจะจะํำนานมากขึ้นมากขึ้นวันนี้ก็จะมีกลุ่มเข้ามาอีกแทนพวกเราพวกเราก็พอใจเราชอบเป็นครูสอนครูสอนทราเนื่นยไม่ตอะไม่เอาสอนกับมาตรฐานนี่ มันถูกต้องจริงๆอยากจะบอกคู่คนต้องหลอยมันหลงไม่หลงเนี่ยมันทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยมันถูกต้องจริงๆถ้าไม่หลงไม่ทุกข์อยู่อยู่ที่กายที่ใจเราก็ดีไปเองไอ้เด่นก็ดีไปเองเป็นมาเป็นพวงมาเป็นพวงความดีเกิดขึ้นเป็นพงพวง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 เราทักคนหนังสาอก็มีส่วนร่วมในความดีอยู่ที่ไหนก็ทำความดีก็จะได้เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันออวันนี้ก็สมควรใช้เวลากับพระพ้องมกัน